วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทถือเป็นบ a เพ e นีที่จะเข้าวัดเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือพระพุทธพระธรรมพระสงค์เพื่อความเป็นเสยมงคลแก่ชีวิตเพื่อจะได้ความสุขความเจริญในสิ่งต่างๆที่ปรารถนากันส่วนใหญ่ทุกคนก็ปรารถนาในความสุขความเจริญของโลกอธรรมทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพัทธะชนิดต่างๆแต่ความสุขและความเจริญในโลกธรรมทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ขอกันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันเช่นทำมาหากินกันอย่างด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วย สติปัญญาความรู้ความสามารถต่างๆขนาดนั้นก็ยังไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะลาบยศสลาเสรสนุขนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันจเจริญได้มันเสื่อมได้มีขึ้นมีลง เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายประการด้วยกันหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้ความปรารถนาในราบยศเสรเสรสุกนี้สำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เช่นในช่วงที่มีการเลือกตั้งผ่านมาก็มีผู้ที่มีความปรารถนา ที่อยากจะได้ยศได้ตำแหน่งก็จะไปลงสมัครเลือกตั้งกันเพื่อสมัครเป็นสอสอและจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีหรือไปเป็นนายกรัธมนตรีตามลำดับต่อไปแต่พอหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปผลก็คือ บางคนก็ได้รับเลือกเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกแต่บางคนก็ไม่ได้รับเลือกเพราะนี่คือธรรมชาติของโลกธรรมทั้งสี่ที่พู้เจ้าทรงตรัสว่าเป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถ สั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําทไม่ได้นี่คือสิ่งที่ดาวชาวพุทธควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงงมงายไปกับการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเพื่อให้เราคิดว่าเราจะสามารถอ ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเรื่องของโลกกรรมนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนบางคนก็อาจจะมีโชคมีวาสนามีบุญบา ร, รมีทำแล้วก็จะมักจะเจริญทำแล้วก็ร่ำรวยบ้างบางครั้งก็บางคนก็ทำแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนทำแล้วก็ได้รางวี่รางวัลต่างๆ ได้เหรียญทองได้ประกาศนิยบัตยกย่องสารเสวนต่างๆบางคนก็มีความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ผิดหวังก็เลยหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ท่านจะทำให้ความสุขให้ความเจริญกับเราอย่างไรและให้ให้ความสุขและความเจริญกับเรื่องอะไร mm hmm. คือนอกจากความสุขความเจริญทางรากยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้ว mm hmm. ยังมีความสุขความเจริญอีกอย่างหนึ่งที่ ท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้กันถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าความสุขความเจริญที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายส่งสอนให้ชาวพุทธันให้ชาวพุทธเรามาแสวงหากันมาสร้างกันนี้คือความสุขทางใจ ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่แน่นอนกว่าที่ทุกคนสามารถที่จะแสวงหาและสร้างขึ้นมาได้ถ้ารู้จักเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขและความเจริญทางด้านจิตใจจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่เจริญได้และเสื่อมได้และการเจริญและเสื่อม ของจิตใจก็มีเหตุที่ชัดเจนไม่ยุ่งยากเหมือนกับความสุขความเจริญทางโล ก, กธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยหลายประการด้วยกันที่มาเกี่ยวข้องกันที่อาจจะทำให้ผู้ที่สวางหาได้รับ ความเจริญก็มีไม่ได้รับความเจริญก็มีแต่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุที่ชัดเจนและผู้ที่ปฏิบัตินี้สามารถที่จะเจริญเหตุนั้นได้และรับผลของเหตุที่ได้เจริญอย่างแน่นอน บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้า<ม>จึงเลือกการสร้างความสุขความเจริญทางด้านจิตใจกันเพราะนอกจากเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลที่ชัดเจนแล้ว<ม>ยังเป็นผลที่เลิศและที่ประเสริฐที่ยั่งยืนที่ถาวนกว่าความสุข ความเจริญทางโลกธระทำทางโลกธระรมถ้าเราได้ความเจริญทางราบยศสรรเสริญสุขมันก็เป็นความเจริญชั่วคราวเพราะมันผูกติดอยู่กับชีวิตร่างกายของพวกเราพอร่างกายของพวกเราแก่เจ็บตายลงไปความสุขความเจริญทางโลกธระทมันก็หมดสภาพไปตาม สภาพของร่างกายเป็นความสุขความเจริญแบบชั่วคราวไม่เกินร้อยปีชีวิตของคนเราในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายกันความสุขความเจริญทางโลกประธรรมคือลาบยศสรร ส, ส, สุกก็จะหมดสิ้นไปแต่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน ว่าและถาวรถ้าสามารถสร้างความสุขความเจริญของใจให้ถึงระดับที่สูงสุดได้จะไม่มีวันเสือ่อมได้แล้วก็จะได้ความสุขแบบนั้นไปตลอดได้พังเจริญที่สูงสุดไปตลอดน ะ, ะ, ะความสุขความเจริญทาง ท, ทางใจนี้ผูกไว้กับใจอยู่กับใจไปกับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจจิตใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายเพราะจิตใจยังยังตกอยู่ในอิทธิพลของความหลงที่ถูกที่หลอกให้ใจมาหาความสุข ทางโลกประธรรมหาความสุขทางลาบยศสารแสญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายนี้มีตาหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆแล้วก็ส่งไปที่ใจใจเป็นผู้เสพเป็นผู้สัมผัส พุนผู้ที่ได้รับความสุขหรือความทุกข์จากการเส็บสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดผาได้ลาบยศสารเสริญร่างกายนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายนี้เป็นวัตถุเหมือนโตะ๊ะเหมือนเก้าอี้หรือเหมือนรถยนต์ที่มีความสามารถทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้นแต่ไม่มีความรู้ว่าตัวเองนี้ทำหน้าที่อย่างนั้นทำหน้าที่อย่างนี้ผู้ที่รู้ก็คือใจใจนี้มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดสามารถสั่งให้ร่างกายนี้ทาอะไรต่างๆตามคำสั่งของใจซึ่งใจนี้มีความอยากหาความสุขจากโลกระธรรมทั้งสี่ จากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจากลาภยศสรรเสริญ<ม>จึงสั่งให้ร่างกายนี้<ม>ไปหาโลกธรรม ท, ทั้งสีมาเสดเพราะ<ม>โลกธรรมนี้เวลาที่ได้มาเวลาที่เจริญ<ม>ก็จะให้ความสุข<ม>จะให้ความสุขแก่จิตใจความเพลิดเพลิน เช่นเวลาที่เราได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใจก็จะมีความสุขความเพลิดเพลินชั่วชั่วขณะที่ได้ไปเที่ยวแต่หลังจากที่กลับมาจากการไปเที่ยวแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนั้นก็จางหายไปหมดไปแล้วก็เลยทำให้ใจนี้จะต้องคอยหาความสุข ต่อไปอีกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกเพราะเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวมันรู้สึก เ, เหงารู้สึกเศร้ารู้สึกว่าวเวรู้สึกเบื่อหน่ายหงดดหง่ด เ, เ, เวลาได้ไปเที่ยวแล้วมันมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกสนุกสนาน อ, าอันนี้แหละคือเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกาย ใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกินลสโสพภะชนิดต่างๆแต่ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เ ป, ทเป็นสิ่งที่อนิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออาจจะเป็นอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายได้ทุกเวลาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ อาจจะถึงแก่เสียชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ได้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายมันเลยทำให้การหาความสุขจากลาบยศสารเสรญจากรูปเสียงกลิ่นนันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันถ้าหาความสุขจากลาบยศสารเสรญสุขแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความทุกข์ใจความเศร้าใจ ความเสียใจเพราะว่าสิ่งที่หามาได้นั้นมันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีได้มาแล้วมันก็ดีช่วงใหม่ๆแล้วต่อไปมันก็จะเก่าลงเก่าลงแล้วความสุขที่ได้จากของใหม่ๆมันก็หายไปพอกลายเป็นของเก่าเป็นของที่น่าเบื่อขึ้นมามันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกต่อไป การหาความสุขทางโลกการทำมันจึงคุกเคล้าไปกับการได้ความสุขและได้ความทุกข์สลับกันไปสลับกันมานนไม่ได้เป็นความสุขล้วนๆไม่ได้เป็นความสุขที่ปราศจากความวุ่นวายใจปราศจากความทุกข์ใจอันนี้คือเรื่องของความหลงของใจ ที่หลอกให้ใจมาหาความสุขจากโลกธรรมซึง่งแทนที่จะได้ความสุขมักกลับจะได้ความทุกข์เสียมากกว่าความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปจึงทําให้มนุษย์เหล่านี้ต้องหันเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรกันเพราะ พยายามทําด้วยกำลังวังชากำลังสติปัญญาของตนเองแล้วก็ก็ยังทําได้ไม่ไม่ไม่พอเพียงทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างได้แล้วก็สูญเสียไปบ้างจึงทําให้รู้สึกว่าต้องหาที่พึ่งที่พึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนให้ได้สิ่งที่อยากได้อย่างอย่างต่อเนื่อง และก็ไม่ให้สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎของอนิจจังทุกขังอนาัตตาของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยง มีการเจริญได้มีการเสื่อมได้มีการเกิดได้มีการดับได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี้เป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ น, นิจจ์อนัตตาไม่มีใครไปสั่งให้มันเป็นอย่างนี้อย่างเดียว ไม่ให้เป็นอย่างนั้นสั่งไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยต่างๆที่มาสนับสนุนกันทำให้เกิดฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติถ้าใครไปอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็จะต้องผิดหวงัง ก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจจะต้องทุกข์ใจไมอช้าก็เลยนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการแสวงหาความสุขหาพรจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจนลนนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่กลับกลายเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าป่าจะได้มาบางทีก็ไม่ได้ เวลาหาบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจเวลาได้มาแล้วเวลาสูญเสียไปมีการพัดภพร่จากกันไปก็เกิดความเศร้าออกเศร้าใจเสียใจเช่นเดียวกัน<ม>นักบัตทั้งหลายจึงมไม่เลือกที่จะไปหาสแสวงหาความสุขความเจริญทางโลกกระทำแต่กับหันไปสแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจกัน เพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เกินล้อยปีเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องก็ต้องดับลงส่วนประกอบที่มารวมตัวทำให้เกิดร่างกายก็แยกตัวกันออกไปส่วนที่มารวมตัวให้เป็นร่างกายขึ้นมาก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่เราเอาเข้ามาในร่างกายเราตลอดเวลาธาตุลมนี้เราก็ต้องหายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาเอาลมเอาลมใหม่เข้ามาเอารมเก่าออกไปธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องคอยดื่มน้ำอยู่เรื่อยๆดื่มน้าเอาน้ำเอาน้ำใหม่เข้ามาร่างกายขับน้ำเก่าออกไป อ, อาหารก็เหมือนกันเราก็เอาอาหารที่เป็นธาตุดินธาตุดินก็คืออาหาร อาหารเช่นข้าวผักพวกนี้ก็ทำมาจากดิน<ม>เมื่อเราเอามาทำปรุงเป็นอาหารแล้วก็มาผสมกับธาตุน้าธาตุไฟ<ม>แล้วเราก็รับประทานธาตุเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเพื่อเสริมธาตุให้กับร่างกายร่างกายจึงตั้งอยู่ได้<ม>แต่ถึงเวลาหนึ่งความสามารถที่จะเอาธาตุทั้งสี่เข้าสู่ร่างกายก็จะลดหย่อน ลดน้อยถอยลงไปความสามารถที่จะเอาธาตุดินน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้ามาเสริมก็จะทำได้น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้ mm hmm. พอหายใจไม่ได้แล้วการทำงานของร่างกายการทำงานของธาตุสีก็จะหยุดลงเ ม, เมื่อมีการยุติการทำงาน ธาตุทั้งสี่ก็เลยต้องแยกออกจากร่างกายไปธาตุาที่ออกจากร่างกายไปก่อนก็คือลมหายใจพอไม่มีลมหายใจแล้วลมใหม่ก็ไม่มีเข้ามารมเก่าก็มีแต่จะระเหยออกไปตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนั้นถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ร่างกายก็จะ มีธาตุน้ำไหลออกมาตามทวารต่างๆจนกระทั่งร่างกายก็จะแห้งกรอบเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่นานมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไป <S <S <S นี่คือเรื่องของร่างกายมันเป็นของชั่วคราวที่มีการรวมตัวของธาตุสีแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะมีการแยกตัวออกจากกัน สิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราหามาผ่านทางร่างกายมันก็จะหมดหมดสภาพไปเราไม่สามารถที่จะไปอเอาราบยศเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ติดตัวไปกับใจได้พอร่างกายตายไปใจที่มาครอบครองหรือมาเชื่อมกับร่างกายนี้ก็จะแยกตัวออกจากร่างกายใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย ใจก็จะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณอยู่ในโลกทิพย์<ม>ซึ่งสภาพของดวงวิญ ญ, ญาณนี้ก็มีแยกเป็นมีแบ่งเป็นชั้นชั้นเป็นเรียกว่า<ม>เป็นภพเป็นภูมิมเป็นลักษณะของความเจริญและความเสื่อมของจิตใจ<ม>จิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์ เรามีจิตใจมนุษย์เราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. แต่จิตใจของมนุษย์ของเรานี้อาจจะถูกเปลี่ยนไปได้จากพฤติกรรมของเราคือ mm hmm. ก, การกระทำของเรา mm hmm. ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ mm hmm. ถ้าเราไปทำบาปกัน mm hmm. เช่นบางทีการทำมาหากินหรือการแสวงหาสิ่งที่เราปรารถนานี้บางทีเราอาจจะไม่สามารถ หาได้ด้วยการทําอาชีพที่สุดจริตหรือหาโดยวิธีสุดจริตเราก็อาจจะไปทําบาปกันเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้กันถ้าเราไปทําบาปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุกลไกใดก็ตามมันก็จะเปลี่ยนหรือปรับลดสถานภาพของใจของพวเราให้ลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ค่อยๆลดลงไม่ใช่ลดทีเดียวพวดท่า ทำบาปครั้งหนึ่งมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราน้อยลงไปส่วนหนึ่งทำบาปหลายๆครั้งมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆการทำบาปนี้ก็จะพาให้จิตใจของเรานี้เปลี่ยนเป็นสี่ลักษณะด้วยกันหนึ่งเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงถ้าทำบาปด้วยความโลภ ดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นเปรตดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทํำบาลด้วยความกลัวดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นอสุรกายมีความกลัวครอบงําจิตใจอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราทํำบาลด้วยความอาฆาตพยาบาทโ<ม>กรเตียด<ม>เคียดแค้นตาต่อตาฟันต่อตฟันนี่ใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเราเรียกว่านารกนี่คือสภาพของความเสื่อมของจิตใจที่เกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็จะได้คุณสมบัติของสัตว์เดรัจฉานตัดเดรัจฉานเขาก็ทาบาปด้วยเขาก็ํำรงชีพของเขาด้วยการฆ่าผู้อื่น สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นต้นส่วนดวงวิญญาณที่หิวโหยนี้ก็เป็นพวกที่ทําบาปด้วยความโลภอยากจะได้มากๆอยากจะมีมากๆอยากจะเป็นมากๆก็เลยต้องใช้วิธีทําบาปถึงจะได้พวกที่ทําบาลด้วยความกลัวเวลาเจอสิ่งที่คิดว่าจะเป็นพิษเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนก็ทําร้ายสิ่งนั้นเช่นสัตว์ สัตว์ร้ายบางชนิดที่บางทีเราไปเจอเข้า<ม>เช่นงู<ม>หงงเข้ามาในบ้านเรานีเราก็มักจะฆ่าเขาเพื่อป้องกันชีวิตของเรา ม, มันก็เรียกว่าเป็นการทำบาปด้วยความกลัว<ม>หรือถ้าเราไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับคนนั้นคนนี้<ม>แล้วทำให้เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมามเราก็อาจจะไปทำร้ายเขา<ม>อันนี้ก็เรียกว่าทำบาปด้วย ความอาคาดพยาบาทใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาร้อนเป็นไฟของนรกขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ายังไม่สามารถที่จะระบายความเคียดแค้นอันนี้ออกไปจากใจได้ถ้าทําลงไปก็จะดึงให้ใจลงต่ำใจของพวกเรานี้มีเหตุที่จะทําให้เสื่อมได้มีเหตุที่จะทําให้เจริญได้ เหตุที่จะทําให้ใจเราเสื่อมลงต่ํากว่ามนุษย์ก็คือการทำบาปสี่ประการนี้ชวนความเจริญของจิตใจและความการเพิ่มความสุขของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทําได้จากมนุษย์นี้เราสามารถยกระดับใจของพวกเราให้ขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับเทวดาได้ระดับสวรรค์ของเทพระดับสวรรค์ของเทวดาถ้าเราไม่ทํำบาปลักษาศีห์ห้าได้ ถ้าเรามีการทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือสนับสนุนผู้ที่กระทำความดีให้ได้กระทำความดีต่อไปด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเช่นบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลให้กับวัดให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ, ๆอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทาน ที่ยยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาเวลาที่ร่างกายของมนุษย์ตายไปใจก็จะอยู่สวรรค์ของเทวดาที่อยู่ของเทวดาก็คือสวรรค์หกชั้นด้วยกันที่มีหกชั้นก็เพราะว่าการทาบุญทำทานมีมากมีน้อยต่างกันนั่นเองบางคนทาน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่า บ, บางคนทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูง ชั้นสูงก็จะมีความสุขมากกว่าชั้นต่าเหมือนกับเวลาที่เราไปพักโรงแรมที่มีดาวโรงแรมหนึ่งดาวก็ซื่อโรงแรมห้าดาวไม่ได้ในเรื่องของการบริการอำนวยความสุขควความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไปพักหิวอาศัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเรานี้เราสามารถทำให้เจริญให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่เราทำได้เพราะเหตุผลมันชัดเจนถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าความสุขของมนุษย์ที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้เราทำบุญทาทางไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีลอย่าไปทำบาปเพราะว่าบาปกับบุญนี้มันจะเป็นคู่ต่อสู้กันเหมือนกับน้ำร้อนกับน้าเย็นบุญนี้ไปเหมือนน้ำเย็นทาให้ใจเราเย็น สบายส่วนบาปนี้มันเป็นเหมือนน้ำร้อนทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราทุกข์<ม>เราต้องพยายามอย่าทาบาป<ม>แล้วทำแต่บุญ<ม>เพื่อที่ใจของเราจะได้ขึ้นไปสูงได้อย่างง่ายดาย<ม>แต่ถ้าเราทำบาปด้วยทำบุญด้วยมันก็จะเดึงกันไปดึงกันมามใจก็จะถูกความร้อนกับความเย็นมา ผสมกันมันก็เลยอาจจะไปไม่จะขึ้นไปสูงก็ไปไม่ได้จะลงต่ำก็ก็ลงไม่ได้ก็จะอยู่กลางๆอยู่ในระดับของมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆอย่าง mm hmm. ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสูง mm hmm. ให้มีความสุขมากขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้องทําทําบุญทําทางแล้วก็รักษาศีลห้าไม่ให้ทํำบาปอย่าทํำบาป mm hmm. เวลาที่ ร่างกายของเราตายไปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปอยู่บนสวรรค์ของชั้นเทพกันแต่ความเจริญในระดับแรกๆนี้จะเป็นความเจริญแบบชั่วคราวคือถ้าเราตายไปแล้วแล้วเราไปเป็นเทวดาเนี<ม>่ยเราก็จะอยู่เป็นเทวดาได้ระยะหนึ่ง จนการ บ, บุญที่ส่งให้เราไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทวดานี้หมดกําลังลงมันก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่อีกรอบหนึ่งเรียกว่ายัางต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นเดียวกับสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็มีอยู่อีกสองสอ ง, สองระดับด้วยกันเขาเรียกว่าระดับชั้นพรม การที่เราจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้เราต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาศีลห้าให้ขึ้นมาเป็นศีลแปดเพื่อตัดความอยากที่จะหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆตัดความสุขทางกรรมเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานในระดับต่างๆ ถ้าเราสามารถปฏิบัติเข้าสู่ระดับรูปประชานได้เราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นอยู่สู่ระดับของชมที่เรียกว่ารูปประพรมรูปประพรมคือเป็นที่ตั้งที่อยู่ของใจที่สามารถเข้าสู่สมาธิขั้นรูปประชานได้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นสภาพของจิตใจที่สงบที่เย็นที่มีความสุขมากกว่า ความสุขของสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราสามารถเจริญเข้าสูข่ขั้นระดับอรูปฌานได้ความสงบที่สงบยิ่งกว่ารูปฌานความสุขก็มากกว่าความสุขของรูปฌานเราก็จะเข้าสู่ระดับของอรูปปฐมเป็นสวรรค์อีกระดับหนึ่งเป็นสวรรค์ที่สูงสุดในบรรดาสวรรค์ที่ที่ได้จากการทําบุญทำทานรักษาศีล แล้วก็ภาวนาทําใจให้สงบแต่สวรรค์ชั้นรูปประพรมและอรูปประพรมก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปผู้ที่ได้รูปประชานหรืออรูปประชานก็ใจก็จะดวงวิญญาณก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรือชั้นอรูปประพรมแต่อยู่ได้สักระยะหนึ่งพอกํอากลังของฌานเสื่อมลงหมดลง ใจก็ต้องลดตกลงมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมามีร่างกายมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แล้วก็มาบําเพา็ญมมาบําเพ็ญรักษาศีลรักษาศีลแปดรักษารักษาศีลของนักบวชแล้วก็ฝึกสมาธิเข้าสมาธิคนพวกนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี้มักจะไปบวชกันหรือถ้าไม่ได้บวชก็จะอยู่แบบอ่า เป็นโสดจะไม่มีครอบครัวเพราะไม่สนใจไม่ชอบหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระเพราะเห็นว่าเป็นความสุขที่อับและเป็นความสุขที่มีปัญหามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการบําเพ็ญทําจิตใจให้สงบเพราะเวลาจิตใจสงบแล้วจะมีความรู้สึกมีความสุข อย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือว่าความสุขที่ได้จากโลกธรรม ท, ทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญจากหรือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆพวกนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นพวกนักบวชกันในโลกนี้เราจึงมีคนที่มีมีสถานะแล้วมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นคารวะผู้ครองเรือนอยู่แบบมีครอบครัว ต้องมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกเสียงกิน่นรสผลพธพะชนิดต่างๆมาคอยให้ความสุขบางคนก็สามารถอยู่เป็นโสดได้หาความสุขจากการทำสมาธิทำจิตใจให้สงบบางทีก็ออกบวชไปเป็นพระเป็นเป็นเป็นนักบวชกันแต่สถานภาพเหล่านี้ก็ยังเป็นอยู่ตกอยู่ใน อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ความสุขของเทพความสุขของพรหมก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปพอหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างใหม่ภพของมนุษย์นี้จึงเป็นภพที่มีไว้สำหรับมาสร้างบุญสร้างกุศลหรือมาสร้างบาปกันแล้วแต่ว่าจิตใจนั้น ฉลาดหรือโง่ฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าจิตใจไม่ฉลาดมักจะมาเกิดเกิดมาเพื่อมาทำบาป ก, กันแต่จิตใจที่ฉลาดรู้ผิดถูกดีชั่วรู้ผลที่เกิดจากการทำบาปว่าเป็นทุกข์ทำให้จิตใจร้อนทำทำให้จิตใจไม่สบายเวลาทำบุญเวลาทำจิตให้สงบทำให้จิตใจมีความเย็นมีความสบายมีความสุข ก็ก็อยู่กับสำมา ธ, ธิิคือความเห็นชอบของแต่ละคนบางคนคิดว่าจะมีความสุขได้จะต้องทำบาปจะต้องไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติิดประเพณีไปเสพอบายามุขเขาก็จะถูกความเห็นอย่างนี้ชุดลากพาให้เขาไปมาเกิดทีไรก็จะมาทำบาปมาเสพอบายามุขแล้วพอตายไปเขาก็จะต้องไปชดใช้กรรมในอบายกัน ไปเป็นเดลอาฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายเป็นนรกบ้างส่วนพวกที่มีสมาธิฏฐิมีการเห็นว่าความสุขนี้เกิดจากการทําความดีทําบุญทําทานเกิดจากการฝึกสมาธิทําใจให้สงบตรงนี้ก็จะมาทําบุญทําทานกันหรือมาฝึกสมาธิกันแต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเหตุที่พาให้ใจนี้ ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้นั่นเองพวกที่อยากจะหาความสุขจากลูกเสียงกินลดผลพพะก็จะมาเกิดในการมาพบพบของมนุษย์และของเทวดาเป็นต้นพวกที่หาความสุขจากความสงบของรูปประชายก็จะมาก็จะไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพม โลกที่หาความสุขจากการเข้าอารูปฌปานก็จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประผลแล้วก็ต้องพอไปอยู่แล้วก็เสื่อมกลับมาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาเติมใหม่มาเติมความสุขใหม่ภมชาติของมนุษย์นี้จะเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับสถานีบริการเวลาเราขับรถเดินทางไปไหนมาไหนนีเราต้องจอดแวะสถานีบริการอยู่เรื่อย พรารถเราต้องคอยเติมน้ำมันเติมน้ำเติมอะไรต่างๆเติมลมคนขับก็ต้องเติมอาหารต้องมีการเข้าห้องน้ำอะไรเป็นต้นพบของมนุษย์นี้จึงเป็นพบที่เรามาสร้างบุญสร้างกรรมกันแล้วก็เวลาตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลกรรมที่เราได้สร้างในขณะที่เป็นมนุษย์นี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะทำอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้จะไม่รู้ว่ายังมีอีกพบหนึ่งยังมีอีกระดับหนึ่งของจิตใจที่เราสามารถยกให้เส้ขึ้นสูงกว่าระดับของพรหมได้ระดับที่เหนือกว่าระดับของพรหมที่มีความสุขมากกว่าและมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ถาวรกว่าก็คือระดับของพระอริยบุคคล คืระดับของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระน า, า, าคามีและพาาาระอรหันต์นี้เป็นระดับที่เพื่อได้ขึ้นไปแล้วจะไม่เสื่อมลงมาจะจะขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดพรถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพาอาาระอรหันต์จิตใจก็จะถึงจุดที่อิ่มตัวเป็นจุดที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป ความสุขที่ได้สร้างขึ้นมาด้วยการปฏิบัติทำในระดับของพระอริยะเจ้านี้ก็จะทำให้จิตใจนั้นอยู่กับความสุขที่ถาวรอยู่กับความสุขที่ไม่จะไม่ต้องไม่ต้องหมดเมื่อความสุขไม่หมดก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องกลับมาเติมความสุขด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปอะระดับนี้เราต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกนี้ มาสอนมาบอกวิธีให้เราเข้าไปสู่ระดับนั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นไปสู่ระดับของรูปประพรมและเอารูปประภมได้ทนั้นแล้วก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยเด็นไหวาตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาได้พบกับพระพุทธศาสนานี้พระพุทธศาสนาจะสอนพวกเราให้รู้ว่า สิ่งที่ทําให้จิตใจเราเสื่อมลงมาจากจาการะดับที่เราได้สร้างกันขึ้นไปนั้นก็เกิดจากความอยากของเราเนี่งความอยากของถ้าเรายังมีความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดท่าอยู่ความอยากนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะทําลายความสงบที่เราได้จากการทําบุญทําทานหรือจากการเข้าสมาธิในระดับต่างๆถ้าเรารู้ว่าความอยากต่างๆที่เรามีอยู่ในใจนี้ เป็นเหตุที่ทําให้ความสุขความเจริญของจิตใจเราเสื่อมลงเสื่อมจากพรมลงมาเราเป็นมนุษย์หรือเสื่อมจากเทพเทวดาลงมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่อยากจะให้มันเสื่อมเราก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้และการที่จะกําจัดความอยากได้นี้ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นว่า ความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ที่จะทำให้ใจเราเสื่อมถ้าเราไม่อยากที่จะให้ใจเราทุกข์ใจเราเสืงง่อมลงเราก็ต้องกาจัดความอยากการที่เราจะกำจัดความอยากได้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นโลกกระทนี่เป็นของขไม่เที่ยงอย่าไปอยากในโลกกระทำส และแม้กระทั่งการเข้าสมาธิในระดับต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงสมาธินี่ก็เป็นของชั่วคราว <S <S เวลาเราได้เข้าสมาธิได้เราก็มีความสุขเวลาเราออกจากสมาธิมาความสุขที่เราได้จากสมาธิก็จะจางหายไปมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาทำสมาธิอยู่เรื่อยๆวิธีที่ดีที่จะทำให้ความสุขของใจเราไม่เสือ่อม ก็คือเราต้องตัดความอยากต่างๆเวลามันปรากฏขึ้นมาในใจของเราอยากจะหาความสุขจากโลกธระทำทั้ง 4, สี่ลาภยศรรเสรญหรือรูปเสียงจิตลดโผฏฐาพาก็ต้องตัดมันไปการตัดความสุขความอยากในโลกธระทำทั้งสี่นี้ก็ต้องอาศัยการใช้สมาธิเป็นเครื่องมือก่อนเราต้องฝึกสมาธิเพื่อได้ให้ได้ความสุขจากความสงบของสมาธิ เพราะถ้าเรามีความสุขจากสมาธิซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากโลกธรรมแล้วเราก็สามารถละโลกธรรมได้เหมือนกับว่าเวลาที่เรามีรถเก่าแล้วเราได้ซื้อรถใหม่มาใช้ไหมพอเรามีารถใหม่แล้วเราก็สามารถทิ้งรถเก่าได้เพราะเรามีรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินซื้อรถใหม่เราก็ต้องทนขับไปอยู่กับรถเก่าไปก่อน ดีกว่าไม่มีไม่มีรถก็ต้องเดินแล้วต้องไปใช้รถโดยสารรถเก่ามันก็ยังจะดีกว่าแต่ถ้าเรามีฐานะที่ดีขึ้นเราสามารถซื้อรถรุ่นใหม่ได้รุ่นใหม่ที่ดีกว่ารุ่นเก่าเราก็จะไม่ขับรถรถเก่าเราก็จะขับรถใหม่ทิ้งรถเก่าได้ขณะในความสุขของระดับโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญหรือรูปเสียงจิตลถโพธิภานี้มันก็เป็นเหมือนความสุขเก่า ถ้าเราอยากจะเลิกความสุขเก่านี้เราก็ต้องหาความสุขใหม่มาทดแทนความสุขใหม่ที่จะทำให้เราเลิกหาความสุขจากโลกประธรรมได้ก็คือความสุขจากการเข้าสมาธิในระดับรูก ป, ประชานหรืออรูปประชา น, นี้ในเบื้องต้นถ้าเราต้องการจะตัดความอยากในขั้นต่ําขั้นแรกก่อนก็คือขั้นการมาสุขความสุขจากโลกประธรรมทั้งสี่ เราก็ต้องหาความสุขแบบใหม่มาทดแทนหาความสุขจากสมาธิมาทดแทนพอเรามีความสุขจากสมาธิเราก็เลิกหาความสุขจากโลกกระมได้คนส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าสมาธิได้แล้วมักจะไปบวชกันมักจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอครอบครัวเพราะเห็นว่ามันเป็นความสุขที่ยากกว่าเป็นความสุขที่มุนวายกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเขาก็จะสละ ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเช่นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะออกบวชพ่อองค์ก็ได้สมาธิแล้วท่านเคยบำเพ็ญสมาธิมาหลายภพหลายชาติแล้วเวลาที่ท่านอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวไม่มีใครมาหอ้อมรอมนี้ใจของท่านก็เข้าสู่สมาธิได้โดยอัตโนมัติท่านจึงเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธินี้มันดีกว่าสบายใจกว่า ท่านก็เลยสามารถตัดความสุขของทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะได้ชลาราชสมบัติแล้วออกบวชได้ออกบวชเพื่อที่จะหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขของสมาธิก็ต้องไปบำเพ็ญไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่ถึงหกปีจึงสามารถเห็นสัจธรรมความจริงของความสุขได้ว่าความสุขนั้นเกิดจากการไม่มีความอยากเวลาเกิดความอยากแล้ว ความสุขก็จะหายไปเวลาที่ไม่มีความอยากความสุขก็จะกลับคืนมาฉพระงั้นพระองค์ก็เลยท่งค้นคว้าหาวิธีว่าแล้วทำไงจะทําทให้ความอยากหายไปอย่างถาวรไม่ต้องกลับมาอีกก็พิจารณาว่าสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นความสุขทางโลกประทามก็เป็นของไม่เที่ยง ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ความสุขของสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาเข้าสมาธิใจก็มีความสุขแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วความสุขนั้นก็หายไปยังเห็นว่าวิธีที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขตลอดเวลาและไม่เสื่อมไม่หายไปก็ต้องคอยกาจัดความอยากต่างๆความอยาก้น การเสพโลกกระทำความอยากการเสพสมาธิแม้แต่ความสุขจากสมาธินี้ก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ถึงแม้จะวิเศษจะดีแต่มันก็ยังเสื่อมได้ยังหมดได้ต้องอความสุขแบบไม่เสื่อมความสุขแบบไม่เสื่อมก็คือต้องตัดความอยากทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิผ์ผ่องขึ้นมา ที่เราเรียกว่าเป็นนิพานขึ้นมานิบานังปรามังสุขังใจที่มีความสงบอัศจากความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบนี้ความสงบของใจนี้ก็จะสงบไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อมีความสุขมีความพอมีความอิ่มอย่างถาวรแล้วเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความหิวให้กับใจ ใจก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทําบุญเพื่อมาทําบาปเพื่อหาความสุขกันไม่ต้องมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายต่อไปอันนี้เป็นความรู้ที่จะรู้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้ก็จะไม่มีใครรู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงนั้น เกิดจากความอยากความอยากของใจความอยากหาความสุขจากโลกกระทั่ความอยากหาความสุขจากรูปประชานความอยากหาความสุขจากทะรูปประชานความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้ใจนี้ทุกเวลาที่เวลาที่ไม่มีความสุขเวลาเวลาที่ไม่มีลูกเสียงกิริย์ลก็อยากจะหาลูกเสียงกิริย์ลดมาเสกมันก็เลยทําให้ใจทุกข์ แต่ถ้าแทนที่เราจะไปทําตามความอยากเราฝืนความอยากเสียหยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากถ้าเราฝืนได้ไม่ทําตามได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกาลังไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเวลามัในไม่โผล่ขึ้นมาใจของเราก็จะสงบอย่างอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปทําให้มันสงบมันจะงบมันจะสงบขึ้นมาเองเวลาที่เราทําสมาธินี้เราไปทําให้ใจสงบเพราะเราไปหยุดความอยากชั่วคราว หยุดความอยากด้วยการไปหยุดความคิดน่ยเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเราใช้สติควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้พอความอยากเกิดขึ้นมาไม่ได้ใจก็สงบเย็นสบายแต่มันก็สงบเย็นสบายในชั่วขณะที่เรามีสติพอเวลาที่เราเผลอปล่อยให้ใจคิดบุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงอาหารก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่คิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูคิดถึงเพลงก็อยากจะฟังพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ใจอยู่ไม่อยู่ไม่สงบอยู่ไม่สบายต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาเสพแต่เสพทั๊บเดียวมันก็ได้ความสุขแค่ชั่วคราว เราเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากนี้มันจะหายไปหมดมันจะไม่กลับขึ้นมาอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจหิวไม่มีทำอะไรให้ใจวุ่นวายไม่มีอะไรมาทำให้ใจรู้สึกว่าเหวเศร้าซ้อยง่อยเหงาตัวที่มาสร้างความรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาว่าเว รู้ทําให้ใจซึมเศร้าก็คือความอยากนี่เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถทําตามที่เราอยากได้นี้มันก็จะทําทให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว้าเวเย่ขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการใช้กําลังของสติใช้ปัญญาไม่ทําตามความอยากเห็นโทษของความอยากว่าทําแล้วจะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขเราก็จะหยุดความอยากนี้ได้ พอหยู่ความอยากนี้ได้แล้วใจเราก็จะไม่ติดไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปหาความสุขจากสมาธิอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อันนี้แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้มาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราเห็นโทษของความอยากต่างๆที่มีในใจของพวกเราว่าความอยากของพวกเรานี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขมันจะนําเราไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราอยากขึ้นมาใหม่อีกและเวลาที่เราไม่ได้ทําตามความอยากมันก็จะทําให้เราเศร้าอีกดังนั้นการที่เราจะาตัดความเศร้าตัดความทุกข์ตัดความไม่สบายต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อให้ใจของเรามีความสุขอย่า ง, อ ย, างอย่างยั่งยืนเราต้องคอยกําจัดความอยาก เวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเราจึงต้องมาสร้างเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถที่จะตัดความอยากต่างๆได้เครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้ก็มีสามอย่างด้วยกันคือทานศีลภาวนาเราทําทานเอาเงินเาทองที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี่เวลาเราอยากจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินทองที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนทําทานแทนเวลาแล้วเราได้ทําบุญทําทานเราก็จะได้ความสุข ที่ยั่งยืนกว่าที่ที่อยู่ได้นานกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเราก็เปลี่ยนวิธีวิธีหาความสุขจากการใช้เงินแทนที่ยาวเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรตามความอยากแล้วก็เอาเงินนี้ไปทำบุญไปสงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เวลาเราเห็นว่าเราได้ช่วยให้คนที่เขาทุกข์ยากเดืยดร้อนนี้มีความสุขมากเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆก็จะหมดไปนี่เป็นวิธีการลดความอยากด้วยการทาบุญทาทานถ้าเราอย่างใช้เงินทองในการไปซื้อหาความสุขตามความอยากของเรา ให้อาไปทำบุญทำทานแทนอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานพอไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะเลิกเที่ยวได้เพราะเราหยุดความอยากได้เพราะเราได้ความสุขทดแทนคือความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานแทนนี่ระดับแรกก็คือต้องทำบุญทำทานกันถ้าเรายังใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆอยู่แล้ว ขั้นที่สองก็คือเราต้องหยุดความอยากที่จะไปทําร้ายผู้อื่นคือการทําบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักท ร, ร, รัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดเพราะการไปทําร้ายผู้อื่นนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเวลาที่เราทําบาปแล้วใจเราไม่มีความสุขใจของเราจับจะมีความทุกข์มีความมิตกกังวลต่อวิบากกรรมที่จะตามมาถ้าเราไม่ทําบาปใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อน อันนี้ก็เป็นอีกขั้นที่สองทำทานเพื่อหยุดความอยากรักษาศีลก็เพื่อหยุดความอยากต่างๆในระดับของศีลแล้วก็มันฝึกสมาธิมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพเพื่อหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆและหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดถ้าคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจว่า อย่าไปทําตามความอยากนะความอยากจะพาให้ใจเราวุ่นวายจะทําทให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราเสียใจทําให้เราผิดหวังได้หรือทําให้เราเศร้าใจได้เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้ไป<ม>ให้เห็น<อ>เห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจไม่ใช่ไปสู่ความสุขความสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวประดีิวประดาวไม่ใช่เป็นความสุขแบบ ย, ยั่งยืน ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบยั่งยืนนี้ต้องตัดความอยากไปให้หมดพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วได้ตัดความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกงคาหมดสิ้นไปแล้วด้วยการปฏิบัติทานศีลสมาธิและปัญญานี่ถ้าพวกเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนให้พบกับความเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวร คือได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระ อ, อรหรนันต์นี้เราก็ต้องทําตามที่พทะเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงปฏิบัติมาคือให้เรามาต่อสู้มากําจัดความอยากด้วยเครื่องมือต่างๆกําจัดความอยากด้วยการทําบุญทําทานกําจัดความอยากด้วยการรักษาศีลกําจัดความอยากด้วยการเข้าสมาธิและกําจัดความอยากด้วยการใช้ปัญญาถ้าเรา ทำตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทำได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือภาษาวกทั้งหลายอย่างที่เป็นพระอลานตัสาวกที่เขาเป็นได้ขึ้นมาเพราะเขาเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เขาจะเป็นอลานตัสาวกเขาก็เป็นปุตรชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ขนาดนี้แต่พอเขาได้ยินคําสอนของพระเจ้าว่าตัวที่เป็นบัญหาตัวที่ทําให้จิตใจเราทุกข์วุ่นวายไม่มีความสุขกันนั้นก็คือความอยากต่างๆ ให้เรามากำจัดความอยากด้วยเครื่องมือคือทานทำบุญทำทานศียรักษาศีลน่ารักษาศสียน่าแล้วก็ฝึกสมาธินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งและเวลาออกจากสมาธิมาก็เวลาใจคิดอยากจะได้สิ่งนั้นสนี้ก็ต้องคอยระ ง, งับด้วยปัญญาว่าความอยากในสิ่งนั้นจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากทั้งหมดที่มีในใจของเราหมดสิ้นไปได้แล้วเราก็จะได้พรนันตประเสริฐพรนันสูงสุดก็คือการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ารางวัลของการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็คือเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีดต่อไป การเกิดนี้ไม่ดีเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายทำตามมาทุกทุกครั้งไปถ้าหยุดเกิดได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี้สามารถปฏิบัติตามได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนักบวชก็ปฏิบัติได้ศึกษาได้คาระวะผู้คลองเรือนก็ศึกษาก็ปฏิบัติได้ ตใดถ้ามีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพียรพยายามปฏิบัติอย่างสุดกําลังการที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุถึงธรรมะอันเลิศอันเบิกบํารรนี้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทตัวเราเองว่าเราเป็นเพียงคาลวาะหรือว่าเราเป็นเพียงผู้หญิงเราจะไม่สามารถปฏิบัติแบบผู้ชายหรือแบบนักบวชได้ ความจริงมันไม่เกี่ยวสถานภาพเหล่านี้ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่จิตใจของเราว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆแล้วนำมาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่เท่านั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามได้ผลก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่น อ, อนนี่แหละคือพรที่พวกเราควรจะแสวงหากัน ตอนที่พวกเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยลําพักลําแข้งของพวกเราเองไม่ต้องไปขอจากผู้เพราะการไปขอจากผู้นี้ขอไม่ได้สิ่งพรที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องขอกับตัวเราเองสร้างขึ้นมาด้วยกําลังวังชาของตัวเราเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอนังกฤษสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ไปขอให้ใครมาให้ทําให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือทําให้ท่านเป็นพระอารหันต์ท่านรู้ว่าขอไม่ได้ แต่ทำได้ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทําทั้งเองเราก็จะได้พรนันประเสริฐนี้คือได้ความสุขความเจริญของจิตใจอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ในวันปีใหม่ก็หวังว่าจะได้เป็นเครื่องดนบรันรดาลให้ท่านได้มุ่งมั่นไปไปแสวงหาพรที่แท้จริงและจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตจินังเตตานังปปอุปกปรปฏิปชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสนิจฉะตุสัพเทภุเรนตุสังกปา ดัณฑูปนาวะโสยถาไมิโชติวะโสยถาสัพพิติยวิวัชชะตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะตวันตะลายุสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาทนศีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมะวะทานติอายุวันโสุขังพาลังวันนี้คิดว่าคงจะไม่มีเวลาถามตอบองถามแนละ้วเพราะเวลามันใกล้จะหมดแล้วแต่ไว้วันวันหลังเพราะว่าวันนี้คนเยอะ ก็อย่างน้อยขอถามย่อดจานว่าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมนาธรรม า, มานาคูจากทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์สุชาติ470ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติไลฟ์359 y youtube ดรวี75ครับ h ฮ u s e 7วิทยุออนไลน์14นาคูต325รวมทั้งหมด 1,250 ท่านค่ะ ถ้ามีคำถามจากที่ใสก่กระดานมาก็ถามได้ค่ะให้หวกไปถามให้หมดไปคำถามแรกนะคะเดินจงกรมนั่งสมาธิในสั์ชิกสามคืนเห็นโครงกระดูกเป็นภาพในความคิดไม่ทราบว่าเป็นอุปทานความคิดหรือเป็นสภาวะเจ้าค่ะปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่หมายถึงอะไรเจ้าค่ะอก็ศึกษาไงเป็นการศึกษาเนการจดจาว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ ร่างกายมีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆเพื่อเวลาต่อไปเกิดความลหลงไหลในร่างกายของใครก็จะได้นึกถึงโครงกระดูกของเขาจะได้ตัดความลหลงไหลได้เขาบอกว่าแต่พอกลับมาปฏิบัติที่บ้านไม่เจอสภาวะใดๆเลยไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติโดยใช้การภาวนาในสัจฉิกเช่นเดิมหรือไม่เจ้าคะก็นึกมันก็ได้นึกมันขึ้นมาในใจเราภาพที่เราเคยเห็นแล้วพยายามนึกบ่อย ใ้มันังในงใจคำถามจากท่านที่สองค่ะทำบุญกุศลต่างๆเพื่ออทุทิศให้คนตายคนตายจะได้รับไหมคะหรือเป็นเพียงกุศโลบายให้ญาติสบายใจก็อยู่ที่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่านวงวิญญาณงบางดวงไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องมารอรับบุญของผู้้แต่พวกที่เคยทำบุญไว้เยอะยะเวลาไปก็ไม่ต้องมารอรับบุญเพราะมีบุญติดตัวไป เหมนกันเราเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรามีเงินติดตัวไปเราก็ไม่ต้องโทรกลับมาบ้านของเงินส่งไปแต่ถ้าเราไม่มีเงินก็ต้องโทรมาขอทางที่บ้านว่าช่วยส่งเงินไปให้หน่อยก็แบบเดียวกันถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมีบุญติดตัวไปก็ไม่ต้องมาขอบุญจากใครแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเลยเวลาเราไปเราก็จะไม่มีบุญบุญก็เป็นเหมือนกันที่เราไปใช้ต่างประเทศ ยังก็ต้องโทรกลับบ้านโทรเข้าฝันเข้าหาหาพ่อหาแม่หาเพื่อนหาพี่หาน้าานองอ๋อตอนนี้เดือดร้อนลืกินช่วยส่งบุญมาให้หน่อยนะถ้าเขาเข้าฝันนก็แสดงว่าเขาเดือดร้อนแล้วก็ส่งบุญไปให้เขาได้ถ้าเอาอัฐิคนตายไว้ที่บ้านเราญาติเอาข้าวเอาน้ําให้ทุกวันคนตายจะรับได้ไหมคะไม่ได้ละเรื่องกระดูกเป็เรื่องของกระดูกมันไม่เกี่ยวกันคนตายจะรับได้ก็ต้องทําบุญทําทาน ใสาบาดถวายทานแล้วก็เอาบุญที่ได้จากการทำบุญใส่บาดถวายทานนี้ส่งไปได้ส่งไปทางกระแสจิตไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ไม่ต้องใช้พระมาะสวดก็ได้พอทำเสร็จแล้วก็อธิษฐานภายในใจของเร า, าเขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผ่วนี้ที่ยวงลาบไปแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วส่งไปแล้ว การทำบุญกุศลเช่นใส่บาตรเช้าถวายสังฆทานทำบุญต่างๆกับการทำสมาธิภาวนาอย่างไหนคนตายจะได้รับเจ้าคะออคนตายส่วนใหญ่จะได้รับบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานใส่บาตรเพราะมันสาเร็จทันทีได้ผลทันทีแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้บางทีนั่งเป็นสิบปีก็ยังไม่ได้ผลเล งั้อย่าไปอย่าไปหวังที่จะเอาบุญที่อยากสมาธิไปส่งให้เขามันยากค่ะขอกรุสโลบายเพื่อไม่ให้เสียดายในการทิ้งสิ่งของเก่าๆที่ไม่ใช่แล้วค่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้คิ้นอย่างนี้ตายไปก็ต้องทิ้งอยู่ดีถ้าทิ้งด้วยความยินดีก็จะมีความสุขถ้าทิ้งด้วยความเสียดายก็จะมีความทุกข์ ยทิ้งตอนตอนที่เรามีชีวิตอยู่ดีกว่าทิ้งไปแล้วใจจะโล่งจะเบาจะสบายหมดได้ยังคำถามสุดท้ายค่ะขอกราบบูชาขอโอกาสสอบถามครับที่ว่าจิตที่เสื่อมลงแล้วจะฝึกฝนใหม่ให้เดินตามเส้นทางเดิมหมายถึงจิตที่หายหด จิตที่เคยหดตัวลงมาสู่กลาง อ, อกนี้จนสักแต่ว่ารู้นี้ให้เดินไปทางนี้โดยไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่เคยได้หรือว่าไม่ต้องคิดถึงทั้งผลลัพธ์และทางที่เคยเดินครับให้อยู่แต่กับคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วทางเดินจะเป็นไปเหมือนที่เคยเดินผ่านมาเองครับเราต้องคอยกำกับทางเดินให้เหมือนเดิมไหมครับราต้องคอยกำกับให้ใจหยุดคิดให้ได้ใจถึงจะสงบได้ แต่วิธีที่จะให้หยุดคิดมันมีหลายวิธีจะใช้พุทโธก็ได้จะคิดถึงกระดูกก็ได้คิดถึงอะไรที่ทำให้ใจเราหยุดคิดได้เราก็ใช้วิธีต่างๆได้แต่เป้าหมายก็คือให้ใจเราหยุดคิดให้ใจเรานิ่งใจเราสงบมีความสุขหมดแล้วใช่ไหม หมดแล้วค่ะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรเวลาสมบับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเถ อ, อแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะขอให้ร่ำรวยกันทุกคน <laughs>